www.lotus.rmutt.ac.th คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมท <Today. S 2> ูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตอนชัยจันทรัสุภแสงคลิกใปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Comtoday Radio นะครับทาง FM 89.5 MHz นะครับวันนี้วันอังคารที่17กันยายน2562นกะครับก็อยู่กับผมพรชัยจันทราสุปรแสงกบกกมิงนะฮะคอมท t เ d a y เหมือนเดิมนะครับ1ึงชั่วโมงเต็มเมกับเพลงพอเพลาะอ่ะจริงๆเพลงพอเพราะนี่มาเป็นเรื่องหลอกแต่หลักๆคือสาระสำหรับคนในยุคดิจิตอลไลฟ์สไตล์นะครับเมื่อวานนี้ก็พูดคุยกันเรื่องของ iPhone Apple iPad นะฮะหรือหลายๆอย่างที่มีการเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับสำหรับงานที่ถแถลงข่าวเปิดตัว ของค่าย Apple นะฮะก็มีหลายสินค้าหลาย Product เปิดออกมาพร้อมราคาแล้วก็หือหามากๆไม่ได้หือหาที่สเปคแต่หือหาที่ราคาที่ถูกลงนะฮะทำให้หลายคนที่อาจจะอยากใช้ก็อาจจะเอื้อมถึงแล้วก็ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับวันนี้เมื่อวานนี้เกินเวลาแหละ ว, ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของมาร์คซักเบิร์ตที่ในมูของการเป็นคนที่อันตรายที่สุดในโลกกับอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะนามาฝากกันซึ่งแน่นอนครับ พอพูดถึงมาร์คซักเ r เบิร์เนี่ยเราก็ต้องนึกถึง a c e b o o k นะฮะหลายคนบอกว่าลองนึกเล่นๆดูว่าถ้าเรามีสื่อให้เสพอยู่แค่สื่อเดียวสื่อนั้นจะทรงอิทธิพลมากแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีของ Facebook ก็คล้ายๆกันนะครับในฐานะของซ e o ของ Facebook ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากผู้คนหลายพันล้านคนนะฮะทำให้มาร์คซักเ r เบิร์มีพลังที่เปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คนภายในชั่วข้ามคืนเลยกันเลยทีเดียวนะครับ และนั่นนะครับก็ทำให้ผู้บริหารระดับสูงของ Facebook กลายเป็นคนที่อันตรายที่สุดในโลกนะครั บ, Scott รบสกอตต์โกเว่ศาสตราจารย์ด้านธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวไว้อย่างนั้นนะฮะซึ่งเขาก็ยังกล่าวว่าปัจจุบันเนี่ย Facebook เป็นเจ้าของ Messenger แอปที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยได้เข้าซื้อกิจการอิน t a g r กรมในปี2012แล้วก็ a t ตแอปในปี2014นะฮะในขณะที่ลูกค้าจะยังสามารถใช้แอป Messenger ได้นะครับ Mark Zuckerberg เนี่ยพยายามกินรวบแอป pp, ที่ผู้คนใช้งานมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นออดแอปหรือว่า i.g รวมทั้งแพลตฟอร์มหลักของ Facebook m essenger ที่มีการใช้งานมากกว่า 2.7 พันล้านคนนะฮะโดยเขาคนเนี้ยในกอ l ล่าวเนี่ยกำลังกังวลว่านั่นอาจจะมีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะในความเป็นตรงนี้มีเาเรียกว่า ในความเป็นไปได้ว่ามีคนอยู่ 2.7 พันล้านคนที่ใช้บริการ Facebook อย่างน้อย1บริการในแต่ละเดือนและมากกว่า 2.1 พันล้านใช้ Facebook, IG, WhatsApp หรือ Messenger ทุกวันโดยเฉลี่ยตาม Facebook ด้วยนะฮะหากว่าหนึ่งเนี่ยเฟซจะเปลี่ยนเอากรอบชื่มตามใจหรือเปลี่ยนให้นำเสนอแค่เรื่องในบางเรื่องเท่านั้นจะมีผลอย่างไรต่อสังคมน ะ, ะ, ะเพราะว่าความปลอดภัยในการเสพสื่อในสังคม คือการเสพ จ, จากหลายๆช่องทางเพื่อให้แน่ใจว่าข่าวที่ได้ยินมานั้นเป็นเรื่องจริงแต่หากวันหนึ่งนะครับเราถูกเซิฟด้วยข่าวในมุมเดียวกับเครื่องมือที่เราใช้อยู่อย่างเดียวแน่นอนนะครับว่าเราก็จะคิดหรือว่าหันไปเชื่อในมุมเดียวกันเหมือนแบบนั้นเลยนะฮะหลายคนเคยเห็นเหตุการณ์นี้นะครับที่เวลาเรามองโลกโซเชียลในมุมเดียวมันมักจะมีคนถูกเข้าใจผิดและทําให้ชีวิตคนนั้นเนี่ยมีปัญหาตามมาไม่หยุดหย่อนนะครับ หากคนหนึ่งนะฮะถ้า Facebook ทำอย่างนั้นจริงจะเป็นยังไงเอออันนี้ก็ได้คิดเหมือนกันเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเราเหมือนกับทฤษสีสมัยก่อนนะเวลาเขาพูดถึงสื่อเนี่ยมันถึงเป็นเหตุที่ทำให้รัฐบาลหลายๆรัฐบาลในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงต้องมีช่องของเหมือนสถานีโทรทัศน์หรืออะไรต่างๆวิทยุของของข่ายทหารหรือค่ายตารวจหรือค่ายรัฐบาลเองเพื่อที่จะเหมือนกับ ใส่ข้อมูลใส่แมเสเสจบางอย่างให้กับคนทั่วไปเพื่อที่จะได้เชื่อและหันมาในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งตรงนั้นมันก็ค่อนข้างอันตรายในยุคปัจจุบันนะครับและล่าสุดนะครับจริงๆแล้วนี่เป็นประสบการณ์ตรงก็คือใน Facebook เองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีคนพูดถึงว่าเฟซบุ๊กเนี่ย เ, เหมือนกับมีการแอบฟังเราหรือเปล่านะซึ่งล่าสุดอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงเลยนั่นก็คือพี่หมิงก็ไปคุยกับ พี่เอกพี่ก่ในเรื่องของร้านกาแฟเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครตอนที่ไปงานแต่งงานของคุณก่อนะน้องก่อก็ซึ่งใครเป็นบกรของเราก็คุยกัพี่เอกเรื่องเออร้านกาแฟนู่นนี่นั่นพออีกวันหนึ่งพอมาทํางานก็ไปคุยกับที่ทํางานปรากฏว่ามีเพจของเหมือนกับเป็นบริการธุรกิจที่รับออกแบบร้านกาแฟเนี่ยเด้งขึ้นมาให้พี่มิงเห็นในหน้าฟีดของ Facebook หรือก่อนหน้าเนี้ พี่วิงไปซื้ อ, อพริกขั่วงามากินแล้วรู้สึกอร่อยแล้วก็เอ้ยจะไปซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนปรากฏว่าอีกวัน2วันอีเพจที่ขายพริกขั่วงาตัวนี้มันก็เด้งขึ้นมาบนแาฟิกพี่วิงพอกลับมาคิดตอนนี้เนี่ยเออหลายคนที่เคยพูดว่า Facebook แอบฟังเราคุยอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเ น, เนี่ยเนี่ยมันมีเป็นคนข่าวดูเขาบอกว่ามีเคลลี่เบิร์นศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารของ Universal of o ซา h f ฟ o ริดา uh, ออกมาระบุว่า f a c e b o o เนี่ยคอยแอบฟังการสนทนาของผู้คนในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นเปิด Facebook ทิ้ไงไว้ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปแสดงผลโฆษณาให้ตรงกับสิทธิู้ชัยต้องการมากขึ้นแม้โฆษกของ Facebook ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า เ c e b o o k เพียงฟังข้อความเสียงและเก็บข้อมูลเหล่านี้ของผู้ใช้เท่านั้นไม่ได้มีการบันทึกหรือใช้เสียงที่ได้ยินรอบโทรศัพท์ในเชิงโฆษณาแต่อย่างใดนะฮะซึ่งขัดกับข่าวก่อนหน้านี้ที่มีข่าวของ Facebook ออกตัวมาในเดือนพฤษภาคมปี2014 a c e b o o k ได้ออกฟีเจอร์ที่ระบุว่าอาจมีการใช้ข้อมูลเสียงที่โพสต์ลงบน Facebook ในการค้นหากลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาในอนาคต ก็ต้องยอกเราว่าจบแล้วหรือฟังจบแล้วก็คงไม่เคยเชื่อ Facebook เท่าไหร่นะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่พี่มิงเจอหรือหลายๆคนเจอได้ยังไงนะฮะ <S <S ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะปิดฟักงชันได้เพื่อความปลอดภัยก็ถ้าเป็น iPhone ก็ไปที่ setting Facebook setting แล้วก็กดปิดไมโครโฟนส่วน Android คล้ายๆกันคือไป setting ไป Personal อไป Privacy ่แอดเซตแล้วก็แอดเพิร i มิสไมโครโฟนแล้วก็ Facebook แล้วกดปิดนะเพียงเท่านี้เราก ปิดการใช้งานในส่วนของการรับฟังเสียงผ่านไมโครโฟนได้นะฮะอันนี้ก็ผู้ขอสบายใจแนะนําว่าปิดซะเถอะเราจะได้ไม่รู้สึกเหมือนกับอยู่ๆมันมาขึ้นมาแต่ถ้าใครยินดีที่จะให้มันแอบฟังเพื่อที่จะได้เสนอบริการหรือเซอร์วิสต่างๆได้ตรงกับที่เราต้องการก็เปิดเหมือนเดิมไปก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นความน่ากลวงเหมือนกันนะฮะในยุค ป, ปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับโลกดิจิทัลก็ฟังเอาไว้จะได้ปรับตัวในยุคถัดไปนะครับ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 เผิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงใบ3โมงจันทถึงสุขโทร 02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th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 Instagram ส่วนตัวแต่มันดันไม่เป็นส่วนตัวหมายความว่าอย่างไงคือปกติเวลาเราโพสต์ภาพโพสคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีคําสั่งให้เราเลือกว่าเราจะเปิดเพื่อให้ทุกคนเห็นหรือว่าเอาเฉพาะเป็นส่วนตัวหรือเพื่อนที่สนิทเท่านั้นที่เห็นนะครับรูปภาพและวิดีโอที่โพสต์ไปยังบัญชีส่วนตัวในอินสตาแกรมแล้วก็ Facebook อาจจะไม่เป็นส่วนตัวอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่ามันมีช่องโหว่ของโปรแกรมนะฮะนั่นเพราะว่าคนที่เป็นเพื่อนผู้ติดตามหรือผู้ไม่หวังดีเนี่ย อาสามารถเข้าถึงดาวน์โหลดและเผยแพร่ต่อสาธารณะได้โดยใช้ความรู้ทาง HTML นิดหน่อยบวกกับช่องโหว่ของ i n s t a g r กรนะฮะก็คือพูดง่ายว่ามันสามารถถูกแฮกได้นั่นเองนะครับสำหรับแฮกเกอร์พวกเขาคุ้นชินกับการใช้งาน Instagram ก็ต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML และเ r o w s e เเท่านี้เองะก็สามารถขโมยรูปได้ในไม่กี่คลิกนะหมายความว่าถึงแม้เราจะตั้ง เป็นความส่วนตัวแต่ก็สามารถที่จะขโมยได้นะฮะโดยเพียงตรวจสอบรูปภาพวิดีโอที่ถูกโหลดเข้ามาบนหน้าเว็บไซต์แล้วดึง URL ต้นฉบับออกมาและ URL สาธารณะที่สามารถแชร์กับผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้อินสตาแกรมหรือไม่ติดตามผู้ใช้ส่วนตัวนะฮะ URL ดังกล่าวก็จะถูกกอ๊อปแล้วก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ24ชั่วโมงก่อนลิงก์ดังกล่าวเนี่ยจะใช้ไม่ได้และถึงแม้เจ้าของภาพจะลบข้อมูลออกจากระบบนะฮะแฮกเกอร์ก็ยังขโมยภาพได้อยู่ดี หากยังไม่ครบ24ชั่วโมงนั่นเพราะคิดว่าระบบจะสำรองข้อมูลไว้ก่อนจะลบออกแบบถาวร น, นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ออกมาส่วนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะพี่มิงก็เขียนเอาไว้ในเพจของ m i n ค c o m t o d เ y เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายคนบอกว่าเออเวลาเราเห็นรูปสวยๆคลิปดีๆใน IG เนี่ยจะออมาใช้ยังไงนะฮะมีคนถามว่าทำยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทาได้ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเลยนะฮะแต่ว่าอันดับแรกคือเขาต้องเปิดเป็นสาธารณะก่อนเนาะราถึงจะเข้าไปดูได้เสร็จแล้ ว, ลวเราก็เป็นเพื่อนกับเขาหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าขกระบวนการนี้เลยก็คือเปิดหน้าไอจเป้าหมายขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็คลิกเปิดรูปหรือว่าคลิปที่ต้องการตรงมุมขวาบนของรูปหรือคลิปเนี่ยมันจะมีจุด3จุดให้แตะตรงนั้นนะฮะแล้วก็ไปที่คําสั่งไปยังโพสต์ที่ช่อง url ข้างบนของของของของหน้าเว็บเนี่ยจะแสดง url ของรูปหรือคลิป อันเนี้ยเราไฮไลท์แล้วก็คลิกคัปปี้มานะฮะเสร็จแล้วก็ไปที่เว็บไซต์เนี่ย https ดาวโหลดนะดาวน์โหลดแกรมนะฮนะดาวโหลดสกดตรงๆแล้วก็ gram.com ดาวโหลดแกรมนะฮะขึ A ้นมาคลิกตรงหน้าช่องตรงกลางนะฮะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็แปะไอ้ตัว url ที่เรากรอบมาเมื่อตะกี้นะในหน้าจอเนี้ยมันจะมีปุ่มดาวโหลดแล้วก็คลิกดาวนโหลดมันก็จะมีให้เราเลือกว่าถ้ามันเป็นภาพก็มีคําว่า Down วโหลด Picture แต่ถ้าเป็นวิดีโอมันก็จะขึ้นคําว่า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 สอบถามเพิ่มเติม02 592 1933สุดท้ายเธอก็มาทิ้ง<อ>ฉันไปมันเหมือนไม่มีความห<อ>มายกับเธออีกต่อไปเธอทำให้ฉันตายใจเธอทำให้ฉันไว้ใจ แค่ไหนก็เพราะว่าเธอมีเขาเข้ามาที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอกับฉัน สุดท้ายคือต้องยอมปล่อยปล่อยเธอโดยที่ยังรักเธออยู่ทั้งใจมันเจ็บจนต้องร้องไห้เพราะหัวใจแบกรับไม่ไหว t ดียวที่รับรู้ได้คือฉันกลายเป็นคนที่เธอไม่เอาฉันมันก็ เธอจะมอนข้ามไปหากหัวใจเธอเปลี่ยนไปฉันคงไม่ยื้อเธอไว้ฉันจะยอมปล่อยเธอไปหรือเห็นแค่ฉันเป็นทา i t p l รายการคอมทูเดย์านานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกัน TV, ที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี fm 89.5 เมกะยุคนี้นะครับเป็นยุคของภัยไซเบอร์นะฮะล่าสุดนะครับภัย ไ, ไซเบอร์ d e e p f a k e นะฮะใช้การปลอมหน้าเพื่อหลอกลวงทางไซเบอร์นะฮะภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ ที่อาจยาก่อนไซเบอร์ใช้ก็คือ딥เฟกส์นะฮะที่สร้างโดย AI เรียนแบบหน้าและเสียงของเหยื่อเพื่อจุดประสงค์ต่างๆนะครับดีเฟกส์เนี่ยมันคืออะไรก็คือการเรียนแบบหน้าตาของเหยื่อโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเช่นเราอาจเห็นแม่วิดีโอคอมาหาเราเราเห็นหน้าตาของแม่เราได้ยินเสียงของแม่แต่คนคนนั้นไม่ใช่แม่เราจริงๆนะอันนี้อาจจะคล้ า, ลายๆกับแกงที่โทรศัพท์เราบอกว่า โทรไปแม่ครับอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่พี่มิงเคยเจอนะโทรมาแต่ว่าปลอมเป็นพี่ชายพี่มิงแต่มเมื่อเอิญคุณแม่เนี่ยบอกว่าดูสิยงไม่ค่อยเหมือนเลยก็ยังถามว่าเป็นหวัดหรือเปล่าโอ้ก็เป็นวัด อ, อ, อ, อ, อะไรเงี้ยก็เหมือนจะจะให้โอนเงินให้แต่คุณแม่ก็ไม่ได้เชื่อนะสุดท้ายก็ไม่เสียตังค์ซึ่งอันนี้อาจจะคลายกันนะในต่างประเทศกําลังมีเคสลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลายแห่งแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆ ห, หรือว่าคนดังนะอย่างเช่นโดนเอาท้ <c oughs> เเนี่ยซึ่งเป็นเคสที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทพลังงานของสหาราชอาณาจักรเนี่ยถูกหลอกให้เดินท่อส่งพลังงานไปยังซัพพลายเออร์ฮังการีโดยตีเป็นค่าใช้ใจ่ายประมาณ 200,000 ยูโรเพราะเชื่อว่าเจ้าหน่ายของเขารวมทั้งยังส่งไปยังแผนกบัญชีและร้องขอให้โอนเงินให้ด่วนที่สุดนความน่ากลัวของซอฟต์แวร์ก็คือมันสามารถเรียนแบบเสียงได้ลำดับความสาคัญ คำพูดวรรคตอนรวมถึงสำเรียงที่ถอดแบบได้เป๊ะนะฮะซึ่งในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีถูกเผยแพร่หลายนะออกไปภัยไซเบอร์รูปแบบนี้อาจจะมากขึ้นจนเราอาจจะแยกไม่ออกนะฮะข้อมูลอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใส่ในโลกโซเชียลก็ อ, อาจจะต้องหลีกเลี่ยงบ้างเพราะว่าอนาคตข้อมูลนั้นอาจจะกลับมาทำให้เราเดือดร้อนโดยที่เราคิดไม่ถึงนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวในภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้ก็ต้องยอมรับว่ายุคนี้เนี่ย จริงๆไม่ให้ยุคนี้หรอกยุคไหนๆก็มีการหลอกลวงเกิดขึ้นอยู่เสมอแหละมันก็อยู่ที่เราจะต้องใช้วิจารณญาและก็ต้องคิดดีๆเช็คข้อมูลดีๆบางครั้ง ทำงานเร็วในยุคนี้อาจจะอันตรายเกินไปก็อาจจะต้องมีการรีเช็คข้อมูลรีเช็คคาสั่งรีเช็คออเดอร์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับทั้งในเรื่องของชีวิตประจําวันรวมถึงการทํางานของเราด้วยนะครับส่วนยังไงนะฮะว่าภัยไซเบอร์จะมีอะไรแบบไหนก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนะฮะซึ่งตัวที่วันนี้พี่밍เอามาพูดมันชื่อว่า defect นะฮะซึ่งก็ถือเป็นอีก1นหนึ่งภัยที่เกิดขึ้นจาก AI ซึ่ง เราก็มีการถกเถียงกันอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนที่มีการพูดคุยนะฮะหรือว่าการการโต้วาทีละกันเหมือนกัน เ, เขาเรียกว่าโต้วาทีเดียวถูกอะ่ะโต้วาทีระหว่างแจ็คมาแห่งอลิบาบากับอัอลลอมสัสนะฮะที่เป็นเจ้าของตัว SpaceX กนะก็ทั้งสองคนมาพูดถึงกรณีของ AI ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็โต้ไปโต้กันมาก็ถือเป็นมุมมองที่น่าสนใจอีกแบบนึงครับ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 รู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไฟให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรีเ m 8 9อ็มแเมมาที่เรื่องที่น่าสนใจหนึ่งเรื่องนะครับเป็นโปรเจกต์นะโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่า e t ชช n a เชช n a นะซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ของอิ t e l ซึ่ง อันนี้เป็นบทความที่ทางบอกกอร์บเบนนะฮะเคเบนไปเรียกเดินทางไปที่เยอรมนีตามคำเชิญ Intel แล้วก็ไปเก็บข้อมูลตรงนี้เอามาเล่าในเว็บไซต์ aipfan com วันนี้พี่มิงก็นำเรื่องนั้นมาเล่าต่อนรายๆการคอมทูเดย์นะฮะก็เป็นหัวข้อทำความรู้จักโปรเจกต์แอชช n นนิยามใหม่ของโน้ตบุ๊กบางเบาจาก Intel ที่ต้องเร็วตอนเอดไวแบตอึดและก็ฉลาดนะครับส่วนมากพวกเราเนี่ยต้องการโน้ตบุ๊กแบบไหน หากเอาตามความนิยมในปัจจุบันก็คงไม่พลนเอาต้าบุกหรือว่าโนดบุกบางเบาที่มีข้อดีสมกับชื่อโนดบุกนะฮะเพราะว่าพกพาสะดวกแบกสบายแต่หากเบาอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะดีนะฮะ บ, บางรุ่นกลับมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่เบาตามตัวเครื่องหรือแบตหมดไวจนสุดท้ายต้องรีบหาปลั๊กไฟนะฮะแต่ปัญหาก็คือการซื้อรุ่นราคาถูกเกินไปหรือเปล่าก็เปล่านะฮะเพราะว่ามีบางครั้ง หลายครั้งเนะี่ยหลายครั้งใบางครั้งหลายๆครั้งที่เราจ่ายแพงมากแต่กลับได้เครื่องที่ทำงานได้ไม่สมราคาสะนั้นนะฮะเพราะเหตุนี้เองนะครับทาง Intel จึงชี้ทางสว่างใหม่ด้วยการรื้อฟื้นโปรเจกต์นะที่เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าการันตีหรือตารับรองออกมานะฮะถ้าใครยังพอจำได้สมัยก่อนก็จะมีคำว่า Intel i n s i ไซสหรือว่า i n t e l c e n t r ริโนะโดยมีชื่อรหัสชวนคุ้นหูว่าโปรเจกต์ t อชชซึ่งในวันนี้นะฮะจะพาทุกคน มารู้จักกับโปรเจกต์ใหม่นี้ซึ่งจะช่วยทุกคนสามารถเลือกใช้โน้ตบุกที่ใช้สำหรับเราได้ง่ายขึ้นนะครับโปรเจกต์นะครับคือมาตรฐานโน้ตบุกบางเบาสมัยใหม่หรือจะเรียกกันว่าเป็นตรารับรองก็ว่าได้นะครับโดยมีชื่อของตรารับรองอย่างเป็นทางการว่า engineers for mobile performance นะครับซึ่งเป็นตรารับรองที่ทาง Intel กล้าการันตีด้วยตัวเองว่าของเขาดีจริงนะฮะผ่านการทดสอบเรียบร้อย หากมีตรานี้ติ ด, ต, ดติดอยู่ในโน้ตบุ๊กเครื่องไหนนั่นหมายความว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ผ่านการรับรองจาก Intel แล้วนั่นเองนะฮะส่วนการรับรองนั้นนะครับก็จะมี4หัวข้อใหญ่ๆนะฮะที่โน้ตบุ๊กที่มีตราดังกล่าวจะทำได้ดีเยี่ยมกับ4เรื่องนี้นะฮะมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากเรื่องแรกนะครับประสิทธิภาพยอดเยี่ยมนะฮะหัวใจหลักของโปรเจกต์ a t ต n a ก็คือ CPU 10, เชชนเจนอินเทลคอกับหรือว่า Intel Gen นนะฮะ ชิปประมวลผลสำหรับโน้ตบุกรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งจุดเด่นอย่างหนึ่งของ Intel Gen10 ตัวนี้ก็คือมาพร้อมการ์ดจอ Intel Iris Plus Graphics เป็นการ์ดจอออนบอร์ดประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยทําให้โน้ตบุ๊กบางเผ่าสมัยใหม่เนี่ยสามารถเล่นเกมทํางานกราฟิกแล้วก็ตัดต่อวิดีโอได้ดียิ่งขึ้นน่ยนะฮะนอกจากนี้นะฮะตัว CPU เองก็มีการออกแบบให้สามารถตอบสนองได้ไวซึ่งในที่นี้ก็คือสามารถเปิดปิดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมได้รวดเร็วโดยแทบไม่มีความอาการค้างหรือว่าหน่วงให้เห็นเลยนะฮะและสามารถเข้าโหมดใช้งานหรือว่าเวกอัพได้ทันทีที่เปิดฝาเครื่องขึ้นมาซึ่งก็ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทํางานได้ไม่สะดุดนะฮะไม่ต้องรอเปิดเครื่องหรือ โปรแกรมนานๆอีกต่อไปก็น่าจะถูกใจหลายคนอเดี๋ยวเราจะมาฟังกันต่อสําหรับตัว23งสาและสครับรายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัทเ r i p ร์ไจำกัดมหาชนและมหาวิทยา ล, ายโโลยัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 เอชชินนะฮะตะกี้พูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเรื่องที่สองที่จะต้องมีนะฮะถึงจะเข้าโปรเจกต์นี้ได้ก็คือแบตเตอรี่ต้องอยู่ทนนะฮะทาง Intel ถึงกับกำหนดเลยว่าโน้ตบุ๊กบางเบาที่จะใช้ตราสั ญ, ญลักษณ์โปรเจกต์ Etina ได้เนี่ยจะต้องมีแบตเตอรี่ใช้ได้ไงานใช้งานได้นานถึง9ชั่วโมงขึ้นไประดับใกล้เคียงกับโน้ตบุ๊กอัเกรดใช้งานในองค์กรกันเลยทีเดียวนะฮะและบอกตามตรงว่า Intel ชูจุดขายเรื่องของ Intel Gen 10แบบเต็มที่มากคือระบุว่านอกจากช่วยให้น้อตบุ๊กบางเบาและมีประสิทธิภาพดีแล้วก็ยังทำให้น้อตบุ๊กบางเบาเนี่ยมีแบตเตอริเอ่อแบตเตอรี่อึดขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็เอาไว้เหมือนกับมีช่อง Thunderbolt 3เอาไว้รองรับการชาร์จไวหรือต่อชาร์จกับพาวเวอร์แบงค์สำหรับโน้ตบุ๊กได้อีกด้วยนะครับ 3นะครับรูปแบบการใช้งานที่ตอบโจทย์จุดเด่นของโน้ตบุ๊กบางเบาคือความบางแต่ในโปรเจกต์อัจฉริบางอย่างเดียวไม่พอนะฮะโน้ตบุ๊กบางเบาที่มีตาลับรองนี้จะต้องมีจอสัมผัสหรือสามารถพับ360องศาได้ไม่ก็ต้องมีจอสัมผัสที่2แบบที่เซนบุ๊กของ Asus มีนะฮะอีกจุดหนึ่งที่ต้องมีก็คือต้องต่อนเน็ตได้ไวและตลอดเวลาตออเน็ตได้ไวในที่นี้ก็คือเป็นเพราะว่าความสามารถจากชิปเซตไ i f i 6ของ Intel มีส่วนช่วยต่อเน็ตได้ตลอดเวลาแล้วก็มี LTE หรือช่องใส่ซิมด้วยนั่นเองนะก็อย่างที่ทราบนะครับว่าสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่เราใช้กันนียมีซิม ซ, ซึ่งซิมก็จะช่วยทำให้เราต่อเน็ตได้ตลอดเวลาแต่ก็4คีค่าบริการนะฮะหากนำมาใส่ในโน้ตบุ๊กก็จะช่วยทำให้โน้ตบุ๊กต่อเน็ตได้ตลอดเวลาเช่นกันนะครับมาที่ข้อที่4นะครับฉลาดด้วย AI สุดท้ายนี้ก็คือโน้ตบุ๊กบางเบาของโปรเจกต์นี้จะต้องสามารถรองรับฟีเจอร์ AI ซึ่งก็ได้ตัว CPU Intel Gen10 ตัวนี้แหละที่สามารถรองรับการประมวลผลฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้ดีนะครับซึ่งในงาน IFA IFA เนฟะอัน e ่านว่า FA, Open House, ซึ่ง Intel อยู่ในนั้นด้วยเนี่ยก็ได้โชว์ตัวอย่างการใช้ AI ที่พัฒนาโดยชุดเครื่องมือ OpenVINO นโะ ino, โดยโชว์การประมวลผลรูปภาพที่พอสเข้าภาพเนี่ย จะไม่ชัดแต่พอมี AI ช่วยก็จะสามารถปรับให้มีความคมชัดได้นั่นเองนะฮะจะเห็นว่าโน้ตบุ๊กที่เปิดตัวมาแล้วสำหรับโปรเจกต์นี้ก็จะมีเกือบทุกยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็น Acer Asus Dell HP Lenovo นะฮะทุกรุ่นจะมาพร้อมกับชิปเซต Intel Gen 1 0นะฮะให้เลือกระหว่าง Core i 5หรือ Core i 7นะฮะซึ่งบางรุ่นก็ยังสามารถหรือมี Intel Core Gen 8ที่ผ่านเกณฑ์โปรเจกต์ Athena พอดีนะฮะยังไงก็ต้องมาดูว่า คำถามถัดไปคือมันเหมาะกับเราหรือไม่ซึ่งดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยผมว่าพี่มิงบอกว่าทุกๆอันเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะใช้งานแต่ตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าในยุคนี้เองเนี่ยต้องเรียกว่าการแข่งขันด้วยทฤษฎีแบบเดิมหรือกลยุทธ์แบบเดิมจะสําเร็จหรือไม่อาจจะไม่เสมอไปเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าการที่ Intel พยายามเข้นโปรเจก t ์เอตินออกมาเพื่อให้เป็นตราการันตีเหมือนกับที่เคยสําเร็จกับ Intel Insight มาแล้วเนี่ยจะสามารถ สู้หรือฝ่าฟันในยุคที่เรียกว่าการการทำสงครามแบบเศรษฐกิจในทางการค้าเนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่วงแคบแคบ แ, แ, แล้ว AMD เองหรือค่ายอื่นๆที่ทำชิปเซต ส, สำหรับโมบายเองเขาก็สู้กันแบบไม่ถอยเหมือนกันงานนี้ก็ต้องจับตามออกให้ดีนะครับอ่ะ เวลาของวันนี้สัปดาห์นี้ด้วยฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องเรียกว่าจบลงแล้วนะครับเอาไว้พบกับพี่มิ้งใหม่ในสัปดาห์หน้าแน่นอนครับสัปดาห์หน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มมาแพล่ๆกับโปรเจกต์ดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงควอเตอร์ที่4ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ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 ว่าในาโลบนี้จะมีหัวใจอีกใจซ่อนไว้ให้เราพบอยู่แต่ทำไมฉันไม่เจอสักทีแต่คนอย่างฉันไม่มีเนื้อคู่แค่อยากจะรู้ว่าใครที่คู่กันกับฉันอยากมีเธอคนที่อยู่ในความฝันได้มีเธอคนที่เยู่เคียงขางฉันจับมือนอนคุยทั้งค่ โบ